งพยาไฟเป็นชื่อของป่าดงดิบที่เรียกได้นะคะว่ามีคำร่ำลือในเรื่องของความอาถรรพ์เป็นอย่างมากแล้วก็มีมาอย่างยาวนานแล้วนะคะในอดีตนั้นเป็นเส้นทางที่พรานจอมขมังเวททั้งหลายใช้ทดลองวิชาอาคมของตัวเองว่ามีความสามารถในระดับใด พานหลายคนนั้นสามารถเอาตัวรอดออกมาจากป่าอาถรรพ์แห่งนี้ได้อย่างปลอดภยัยแต่ก็มีพรานจํานวนไม่น้อยเช่นกันที่ต้องเอาชีวิตไปทิ้งอย่างไร้ค่าในป่าดงพญาไฟแห่งนี้นี่ขนาดว่าพรานผู้ชํานาญทางการเดินป่ายัางต้องเสี่ยงตายขนาดนี้หากว่าเป็นคนธรรมดาแล้วย่อมไม่ต่างกันกันกบมแมลงเม่าบินเข้ากองไฟนะคะ โอกาสที่จะรอดกลับมานั้นน้อยมากค่ะในป่าผืนนั้นนอกจากความอาถรรพ์ก็ยังมีพูดผีปีศาจแล้วก็บรรดาวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางต่างๆแล้วเส้นทางในการเดินทางก็เต็มไปด้วยความลำบากไม่มีถนนไม่มีจุดบอกเส้นทางมีแต่สัตว์ร้ายแล้วก็โรคไข้ป่าที่พร้อมจะทำลายชีวิตผู้มาเยือนทุกคนทุกขณะนะคะนอกจากนั้นป่าดงพญาไฟยังเป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่พระภิกษุสงฆ์ผู้ที่มีจิตแก่กล้าใช้ในการฝึกฝนตัวเองเกจิอาจารย์หลายท่านค่ะล้วนแต่ผ่านการเดินทางในป่าดงพญาเย็นมาด้วยกันทั้งสิน้นหากว่าพระภิกษุรูปใดที่ผ่านบททดสอบแห่งป่าอัถนี้ไปได้นั้นย่อมหมายความว่าจิตของท่านได้รับการฝึกฝนมามากพอสมควรที่จะไม่เกรงกลัวต่ออวิชชาใดๆ ป่าดงพญาไฟแห่งนี้นะคะเป็นป่าดงดิบที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลทอดตัวตามความยาวบนเทือกเขาเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนทางธรรมชาติระหว่างดินแดนที่ลุ่มทางภาคกลางและที่ราบสูงทางภาคอีสานค่ะ อีกทั้งยังมีตำนานเรื่องหนึ่งนะคะที่กล่าวถึงที่มาของชื่อดงพญาไฟแห่งนี้โดยตำนานดังกล่าวเล่าขานสืบต่อกันมาค่ะว่าในอดีตนะคะบริเวณป่าดงพญาไฟนั้นเป็นที่ตั้งของเมืองขวางทบุรีที่ปกครองโดยขุนบรมราชาในขณะนั้นผู้ปกครองที่มีจิตใจเมตตาอย่างขุนบรมมราชาก็ได้ประกาศออกมาค่ะว่าทุกวันพระข้างขึ้นและข้างแรมชาวบ้านทุกคนห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอัน แล้วก็หากใครที่ฝ่าฟื้นจะทำให้บ้านเมืองพบแต่หายนะแล้วก็ความวิบัตินะคะซึ่งในขณะนั้นชาวบ้านทุกคนต่างก็เชื่อในคําประกาศที่มีออกมาแล้วก็ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดค่ะซึ่งก็ทำให้บ้านเมืองอยู่กันอย่างสงบสุขเป็นเวลามาช้านานกันเลยทีเดียวนะคะ จนกระทั่งมีการเปลี่ยนเจ้าเมืองคนใหม่นะคะก็มีเจ้าเมืองคนใหม่นี้เข้ามาปกครองซึ่งมีนิสัยโหดร้ายชอบก่อกรรมชั่วเบียดเบียนชีวิตสัตว์ซึ่งเมื่อเจ้าเมืองผู้ที่เป็นผู้กระทําเสเองนะคะชาวบ้านที่มีนิสัยชั่วร้ายเป็นทุนเดิมก็ได้ใจค่ะกระทําตา ม, ตามบ้างจนเกิดความเดือดร้อนไปทั่วเรื่องราวในขณะนั้นล้วนอยู่ในสายตาของเจ้าผู้เป็นใหญ่แห่งฟากฟ้าอย่างพญาแถนค่ะซึ่งในที่สุดท่านก็ทนต่อพฤติกรรม ที่ชั่วช้าเหล่านี้ไม่ไหวก็เลยได้เนรมิตฝูงงูพิษยักษ์จำนวนมากให้มาเข็นฆ่าชาวบ้านทั้งหมดจนในที่สุดนะคะเมืองแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นเมืองร้างนั่นเองค่ะแล้วก็เวลาผ่านไปก็มีบุรุษหนุ่มรูปงามพูดรักการผจญภัยที่มีชื่อว่าคันทะกุมานซึ่งเชื่อกันนะคะว่าเป็นชาติภพหนึ่งของพระโพธิสัตว์และก็เพื่อนรักอีกสองคนนามว่าไม้ร้อยกอแลวก็เกวียนร้อยเล่มนะคะก็ได้บังเอิญเดินทางผ่าน ที่เมืองแห่งนี้ทั้งสามคนก็เข้าไปสำรวจในเมืองก็ไม่พบว่ามีผู้คนอาศัยอยู่ก็เลยรู้นะคะว่าเมืองดังกล่าวนี้ เ, เป็นเมืองร้างค่ะแต่ว่าทั้งสามคนก็สังเกตเห็นกลองใบใหญ่ที่ตั้งตระงานอยู่อย่างน่าสงสัยทางไม้ร้อยกอเนี่ยก็เลยตัดสินใจลองเอามือตีกลองดูซึ่งก็เกิดเสียงประหลาดออกมาทางคันทกักกมารจึงได้ใช้ดาบเปิดหน้ากลองออกมาดู ปรากฏค่ะว่าในกลองใบนี้เนี่ยมีผู้หญิงงามซ่อนอยู่ภายหลังจึงทราบนะคะว่าผู้หญิงงามคนนี้เนี่ยคือพระธิดาของเจ้าเมืองที่มีนามว่ากลองสีนะคะก็ได้ซ่อนตัวอยู่ในกลองใบนี้เมื่อครั้งที่ฝูงงูยักษ์ได้ลงมาเข็นฆ่าผู้คนในเมือง หลังจากนั้นค่ะพระธิดากรองศีก็ได้ขอให้ช่วยพาออกไปจากเมืองนี้พร้อมทั้งยังเตือนว่าอย่าจุดไฟเพราะว่าควันจะทำให้พญาแถนรู้ว่ายังมีคนอยู่ในเมืองแล้วก็ส่งงูพิษยักษ์ลงมาอีกแต่ว่าทางคันทักุมารค่ะกลับคิดว่าที่ผ่านมาชาวเมืองได้ชดใช้กรรมที่ก่อไว้มากพอแล้วควรที่จะหลุดพ้นจากคำสาปเหล่านี้สัที ก็เลยรวบรวมชาวบ้านที่รอดชีวิตหรือหลบออกไปนอกเมืองนะคะให้มาช่วยกันก่อกองไฟขนาดใหญ่ขึ้นค่ะ ควันที่เกิดจากกองไฟนั้นพวยพุ่งขึ้นไปไม่นานนะคะก็มีงูพิษจํานวนมากแล้วค่ะหล่นลงมาจากฟาดฟ้าแล้วก็เลื้อยลงมาอย่างไม่หยุดหย่อนจนท้องฟ้านี่มืดมิดเข้ามาทำร้ายผู้คนแล้วก็บุรุษทั้ง3าอย่างไม่มีความปราณีแต่ว่าทั้ง3คนแล้วก็ชาวบ้านต่างร่วมแรงร่วมใจจนสามารถสังหารงูพิษยักษ์เหล่านั้นได้จนหมดซึ่งระหว่างการต่อสู้ที่แสนยาวนานนั้นก็ได้เกิดฝนตกอย่างหนัก จนกระแสน้ำพัดพาซากงูไปกองเป็นภูเขาขนาดยักษ์ซึ่งต่อมานะคะก็ได้เรียกภูเขาลูกนั้นว่าเขาภูโฮงหรือว่าภูหอค่ะ ส่วนที่มาของชื่อดงพญาไฟนั้นเกิดขึ้นมาจากกองไฟขนาดยักษ์ที่ลุกโชดช่วงนอกจากนั้นเมืองขวางท บ, บุรีต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองนครราชซึ่่งงอยูในนจััหวดครราชสีมาในปัจจุบันนะคะหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวสงบลงไม้ร้อยกอแล้วก็พระธิดาก็ได้แต่งงานแล้วก็ครองเมืองขวางท บ, บุรีสืบต่อไปส่วนคันทกกุมารและก็เกวียนร้อยเล่มก็ได้ออกเดินทางท่องเที่ยวต่อไปค่ะ ในยุคต่อมาของป่าดงพญาไฟนั้นเป็นที่รู้จักกันในนามป่าแห่งความตายนะคะเพราะว่าทุกย่างก้าวในป่าแห่งนี้ล้วนมีความตายแฝงอยู่มีผู้คนมากมายค่ะที่ต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ในป่าแห่งนี้โดยมีสาเหตุแตกต่างกันไปทั้งเป็นไข้ป่าถูกสัตว์ร้ายกัดกินตลอดจนถึงถูกพูดผีปีศาจแล้วก็อาถรรพ์ต่างๆนะคะเล่นงานจนสาบสูญหรือเสียชีวิตไป คำริ่มลือถึงความน่ากลัวในป่าแห่งนี้ถูกพูดปากต่อปากอย่างไม่ขาดสายจนกระทั่งปีพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเส้นทางเชื่อมระหว่างป่าทางภาคอีสานแล้วก็ป่าทางภาคกลางเข้าด้วยกันซึ่งเส้นทางดังกล่าวจาเป็นต้องอสร้าง ตัดผ่านดงพญาไฟนะคะโดยขณะนั้นก็มีคำร่ำลือเกี่ยวกับเสือสมิงแล้วก็อาถรรพ์ของป่าเป็นอย่างมากแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะหยุดการสร้างเส้นทางในครั้งนั้น การก่อสร้างเส้นทางดำเนินไปโดยเจ้าหน้าที่จำนวนมากค่ะต้องสละชีพไปอย่างปริศนามีคนเล่านะคะว่าหากนำศพของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นมากองรวมกันจะได้เป็นภูเขาขนาดย่อมเลยทีเดียวซึ่งเชื่อว่าสาเหตุที่เกิดการตายอย่างต่อเนื่องนี้เป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก่อสร้างเส้นทางไปลบหลู่ผีป่าหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางโดยเฉพาะพวกนายช่างต่างชาติที่มักจะมาปัดสวะรดต้นไม้ขนาดใหญ่ อีกทั้งยังส่งเสียงเ อ, อะอะในขณะล้อมวงกินเหล้ากันอยู่บ่อยครั้งซึ่งต่อมานะคะนายช่างต่างชาติเหล่านั้นก็ทยอยตายด้วยโรคไข้ป่าบ้างบางคนก็ถูกเสือฆ่าไปกินบ้างหรือบางคนค่ะก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยจนเจ้าหน้าที่หลายคนต่างพากันหวาดกลัวทําให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างล่าช้าเรื่องดังกล่าวทราบถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็ทรงสลดพระทัยเป็นอย่างยิ่งค่ะ ที่มีผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมากต่อมาก็ได้ทรงยุติการก่อสร้างไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ทรงโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตทั้งหมดทั้งมวลส่วนที่มาของการเปลี่ยนชื่อนะคะจากโรงพยาไฟาเป็นโรงพยายเย็นนั้นเกิดขึ้นในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดําเนินเปิดเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพถึงนครราชสีมาในครั้งนั้นค่ะพระองค์สเสด็จ เดินทางผ่านป่าดงพญาไฟหรือบริเวณเขื่อนลำตะคองในปัจจุบันนี้นะคะขณะนั้นพระองค์สนพระไทยป่าดงพญาเย็นแห่งนี้เป็นอย่างมากพระองค์จึงมีรับสั่งถามข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้หนึ่งนะคะว่า ป่าแห่งนี้มีชื่อว่าอะไรข้าราชการผู้นั้นก็กราับบาังคมทูลค่ะว่าป่าแห่งนี้ชื่อดงพญาไฟก็เลยทำให้พระองค์ทรงนึกถึงเรื่องราวความน่ากลัวเกี่ยวกับป่าแห่งนี้ที่เคยได้ยินมาก่อนก็เลยตรัสสั่งว่าป่าแห่งนี้ชื่อฟังดูน่ากลัวควรให้เปลี่ยนชื่อว่าดงพญาเย็นแทนโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นอยู่กันอย่างร่มเย็น เพราะว่าที่ผ่านมานั้นชื่อป่าดงพญาไฟมักจะนำแต่เรื่องเดือดร้อนความตายแล้วก็ความหายนะมาให้ถือว่าเป็นชื่อที่ไม่สิริมงคลเลย ประมาณปี2467นะคะหลังจากที่มีการเปลี่ยนมาใช้ชื่อดงพญาเย็นชาวบ้านจำนวนไม่น้อยค่ะก็เริ่มทยอยมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ดังกล่าวกันมากขึ้นโดยมีการปลูกผักพืชแล้วก็ปลูกผลไม้ไว้กินเองกับไว้ขายเป็นจำนวนมากเกิดเป็นหมู่บ้านเล็กๆประมาณ30หลังคาเรือนอยู่บนยอดเขาซึ่งต่อมาก็ได้มีการยกฐานะพื้นที่ดังกล่าวเป็นตาบลเขาใหญ่นะคะ เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอำเภอปากพลีในจังหวัดนครนายกค่ะในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์พื้นที่ดงพญาเย็นแห่งนี้ได้กลายเป็นที่ชุมนุมโจรจากทั่วสารทิศซึ่งเมื่อถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตามไล่ล่าก็จะเข้ามาหลบอยู่ในดงพญาเย็น เจ้าหน้าที่ส่วนมากเมื่อเห็นดังนั้นจะไม่ทำการติดตามต่อเพราะว่าไม่มีความชำนาญในพื้นที่อีกทั้งยังเกรงกลัวอาถรรพ์ป่าแม้ว่าจะเปลี่ยนชื่อจากดงพญาไฟเป็นดงพญาเย็นแล้วก็ตามค่ะจนกระทั่งปี2475ทางราชการได้ส่งปลัดจ่างเข้ามาปราบปรามซ่องโจรแห่งนี้ ด้วยความสามารถของท่านในที่สุดค่ะกลุ่มโจนต่างๆก็ได้สลายตัวไปแต่ว่าสุดท้ายท่านก็ต้องจบชีวิตด้วยพิษไข้ป่าในวัย75ปีและต่อมาก็ได้ยกย่องท่านให้เป็นเจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะ ต่อมาในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐก็ได้มีการสร้างถนนมิตรภาพตัดผ่านดงพญาเย็นขนานกับบางช่วงของทางรถไฟทำให้พื้นที่ของดงพญาเย็นถูกเปิดให้ความเจริญเข้าไปซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วจนน่ากลัวต่อมาก็ได้มีการ ป้องกันปัญหาดังกล่าวโดยการตั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขึ้นโดยดงพญายเย็นก็อยู่ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งนี้ทำให้ช่วยชะลอความเจริญที่ลุกล้ำเข้ามาในผืนป่าปัจจุบันนี้นะคะบริเวณดงพญายเย็นถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องลายจานวนมากใฝ่ฝันจะไปเหยียบย่ำสักครั้งในชีวิตดงพญายเย็นในทุกวันนี้แม้ว่าจะถูกความเจริญลุกล้าเข้าไปมากพอสมควร แต่ว่าคงไม่มีใครปฏิเสธนะคะว่ายังคงมีความน่ากลัวซุกซ่อนอยู่ในป่าแถบนี้ปีปีหนึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่หายสาบสู์ไปอย่างไร้สาเหตุหรือไม่ก็เสียชีวิตอย่างหน้าอนาถเชื่อได้ว่าความอาถรรพ์ของป่าแห่งนี้ยังเป็นสิ่งที่น่ากลัวเสมอสำหรับผู้มาเยือน